เรื่องที่30มอยากจะแก้แค้นทิ้งเจอขวดเดียวกันอาจเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่ที่ได้มีมันไว้ในบ้านเพื่อลูกเล็กเด็กแดงซุกซนถูกมีดบาดหรือหนามต่ำก็จะได้หยิบใช้ได้สะดวกเพราะทิ้งเจอเป็นยาใส่แผลสดดีมากแต่ทิ้งเจอขวดนั่นเองกลับเป็นสิ่งสแสลงตาสแสลงใจของเด็ก เพราะโดนเข้าแล้วมันแสบสิ้นดีถ้าไม่กลัวผู้ใหญ่ว่าก็อยากจะคว้างทิ้งออกไปนอกบ้านเสียให้รู้แล้วรู้รอดเรื่องทางสงบใจก็เหมือนกันของเรากับของพระอาจไม่ตรงกันเสมอไปที่ขัดกันผมเห็นมีเยอะและที่ขัดก็เพราะต่างคนต่างมองนี่เองคนละทะัศนะอย่างเช่นการดื่มสุรา คนที่มีเรื่องวุ่นวายใจหรือกลัดกลุ้มใจบางคนก็เห็นว่าถ้าดื่มเหล้าเสียสักสองถึงสามเปกมันลืมความกลุ้มหมดก็เลยถือว่าเหล้าเป็นยาแก้กลุ้มทำให้ใจสงบถึงพวกเสพฝิ่นเสพเฮโร อ, อีนก็เหมือนกันครับคือหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นว่าจะนำความสงบใจมาให้แต่ทางฝ่ายพระท่าน กลับห้ามอย่างแข็งขันและย้ำนักย้ำหนาว่าสิ่งมึนเมาเหล่านั้นเป็นสิ่งทำให้โกลาหลทางนี้ทางนั้นผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องมองคนละจุดนั่นเองคนหนึ่งมองตอนเมาเหล้าเมาฝิ่นว่ามันช่วยให้สงบได้แต่อีกคนหนึ่งมองตอนติดแล้วว่ามันทำให้วุ่นวายเรื่องนี้ผมคิดต่อไปว่า เราลองฟังท่านดูเสียก่อนดีกว่าเหมือนเราป่วยเป็นไข้แล้วลองเชื่อหมอดูสักทีทั้งๆ ท, ที่เรานึกว่าสิ่งที่หมอให้เราทานนั้นมันไม่น่าจะเป็นอยู่เป็นยาอะไรวันนี้ผมขอเสนอทางสงบใจไว้อีกทางหนึ่งคือวิธีแก้ความแค้นใจเท่าที่ผมนึกน่าจะเป็นวิธีที่ได้ผลอยู่บ้าง ขอพูดถึงลักษณะของความแค้นเสียก่อนแค้นหมายความว่ามันตันคือมันจุกแน่นอยู่กับที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไปไม่มาอย่างเช่นควนกินข้าวบางทีกลืนคําข้าวลงคอไปแล้วมันเกิดไปจุกอยู่แถวรวงอกจะขึ้นก็ไม่ขึ้นอาการอย่างนี้เรียกว่าแค้นข้าวถ้ามันแค้นแล้วก็จะรู้สึกไม่สบาย ต้องแก้ไขโดยด่วนทิ้งไว้นานก็ไม่ได้ผมจำได้ว่าชาวชนบทบางท้องถิ่นเขาแก้ไขโดยวิธีกลืนนะ้ำตามลงไปแต่ถ้าไม่มีน้ำเขาก็จะวานใครคนหนึ่งเอาคำปั้นทุบตรงกลางหลังสักตุบสองทุบหายแค้นได้เหมือนกันความแค้นใจก็คล้ายๆกับความแค้นทางกาย สาเหตุก็คล้ายๆกันคือใจเราเวลารับรู้อารมณ์หากเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนใจก็กลืนลงไปได้ง่ายๆคือรับรู้ได้ง่ายๆเหมือนกลืนอาหารเหลวๆโอกาสที่จะแค้นก็ไม่มีแต่ถ้าใจจําต้องรับอารมณ์หยาบใจก็กลืนไม่ลงอารมณ์นั้นก็จะไปติดอยู่ในวิถีความคิดเราเรียกย่อๆว่าแค้น หรือแค้นใจถ้าแค้นเพราะถูกทำให้เจ็บเรียกว่าเจ็บแค้นถ้าใจถูกบีบบังคับเรียกว่าัคับแค้นถ้าใจถูกทรมานให้ยุ่งยากเรียกว่ายากแค้นถ้าใจถูกทำให้ขึงเครียดเรียกว่าเครียดแค้นและอื่นๆความแค้นทั้งปวงนั้นไม่ว่าจะเป็นแค้นชนิดไหน ทำลายความสงบใจทั้งนั้นฉะนั้นสามัญชนจึงต้องคิดแก้ที่เรียกว่าแก้แค้นที่แก้แค้นก็เพราะอยากให้หายแค้นนั่นเองถ้าว่ากันตามเรื่องแล้วก็ไม่น่าจะผิดเหมือนเราถูกน้ำตาเราก็ต้องถอนน้ำออกเราถูกเชือกผูกรัดเราก็แก้เชือกถ้าเราแค้นใจเราก็แก้แขน เหตุผลมันตรงตัวน่าเห็นใจปัญหาสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าคิดจะแก้หรือไม่คิดจะแก้แต่อยู่ที่วิธีแก้ต่างหากมันแค้นใจแล้วจะแก้อย่างไรนี่สิเป็นปัญหาและนี่คือทางแยกไปสวรรค์หรือนรกตามความรู้สึกของคนทั่วไปมักจะแก้แค้นด้วยการผูกแขน ปากบอกว่าแกแต่ใจเกิดคิดผูกความแค้นแทนที่จะคลายออกก็ยิ่งรัดเข้าความคิดผูกแค้นนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้อยากแก้แค้นเองเช่นคิดว่าตนจะต้องได้เล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งให้สะสมกันก่อนจึงจะหายแค้นเช่นเขาด่าเราเราต้องด่าเขาเขาฆ่าพ่อเราเราต้องฆ่าพ่อเขา เขากองเราเราต้องกองเขาอย่างนี้เป็นต้นเอาแบบอย่างมาจากลิเกที่ชอบผูกเรื่องประเภทเกลือจิ้มเกลือหรือดาบล้างเลือดอะไรทํานองนั้นในการเข้าไปพบปะเพื่อให้คําแนะนำทางจิตใจแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ต้องโทษในสถานคุมขังต่างๆผมได้พบว่าคนที่ทำความผิดเพื่อล้างแค้นมีเป็นจานวนมาก แม้แต่รายเด็กหนุ่มที่ถูกจับกลุ่มทั้งแก๊งเมื่อเร็วๆนี้คือพอส2505เขาก็บอกผมว่าเขาทำความผิดเพื่อล้างแค้นหรือแก้แค้นต่ออีกฝ่ายหนึ่งทั้งนั้นน่าสงสารจริงๆการพบเห็นนี่เองทำให้ผมสนใจกับวิธีการแก้แค้นมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่า แก้แค้นที่จริงเมื่อมีใครมาทำให้เราแค้นแล้วเราฆ่าเขาเสียมันก็น่าจะหายกันไปแล้วใจเราก็หายแค้นแต่ตามข้อเท็จจริงแล้วมันแก้ไม่หลุดผมเห็นมาหลายรายแล้วตรงกันข้ามเมื่อไปฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วความคุมแค้นยิ่งมากขึ้นอุปมาเหมือนว่าเดิมทีเราไปเก็บลูกเสือตัวเล็กๆมาได้ตัวหนึ่ง น่ารักจึงเลี้ยงไว้เราก็เป็นกังวลอยู่ว่าหมามันจะมากัดลูกเสือเราตายนึกว่าเลี้ยงให้ลูกเสือโตแล้วคงจะหมดธุระกังวลกันทีแต่ครั้นเลี้ยงมันโตแล้วอะไรได้แทนที่จะหมดกังวลก็กลายเป็นกังวลมากขึ้นแต่เดิมกังวลว่าหมากัดลูกเสือแต่บัดนี้กังวลว่ามันจะกัดหมาและกลัวว่า หมากัดเราเองด้วยยิ่งหนักกว่าเก่าเรื่องความแค้นใจก็เหมือนกันยิ่งไปทำความผิดเพื่อแก้แค้นก็เท่ากับเราเอาอาหารหมาป้อนลูกเสือนั่นเองท่านผู้อ่านกรุณานึกวาดภาพตัวเองก็แล้วกันสมมติว่าใครคนหนึ่งคิดจะแก้แค้นคู่อริจึงไปฆ่าเขาให้ตายไปในระหว่างทั้งสองคนนั้นใครจะเสียหายมากกว่ากัน คนที่ถูกฆ่าตายนั้นเขาก็ตายไปแล้วทุกอะไรเล่าที่จะมีกับคนตายไม่ต้องหาเงินมาซื้อข้าวกินไม่ต้องวิ่งไปโรงพยาบาลไม่ต้องเสียภาษีอากรหมากัดก็ไม่เจ็บเพราะมันตายแล้วถ้าสมมติว่าเขามีเมียเมียของคนที่ถูกผู้ร้ายฆ่าตายก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร ถ้ายุอย่างน้อยอาจมีแฟนควงกันไปดูหนังดูละครอีกก็ได้คิดถึงผัวก็ใส่บาดกรดน้ำให้ก็สิ่งเรื่องถ้าแม้จะมีลูกสาวลูกชายลูกๆเขาก็เพียงเป็นเด็กกพร้าพ่อถูกผู้ร้ายฆ่าตายไม่เห็นจะเสียเกียรติอะไรใครถามก็บอกได้เพราะคนดีๆที่ถูกฆ่าก็มีสมไปจะฝ่ายคนที่ฆ่าเขาตายสิ ลำบากมากนับแต่ได้ฆ่าคนตายแล้วตัวก็ต้องกลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนคอยหลบซ่อนตัวกลัวถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตลอดเวลาที่ตำรวจยังจับไม่ได้ก็เท่ากับเป็นนักโทษประหารสำรองทั้งกลางวันกลางคืนพอถูกจับได้ก็อย่างว่านั่นแหละไม่ว่าจะตัดสินสถานใดมันก็แย่มากทั้งนั้น ถูกประหารชีวิตก็ต้องตายและตายอย่างทรมานใจแสนสาหัสถูกจำคุกตลอดชีวิตก็ไม่พ้นทรมานจนตายลูกเมียสิแย่ลูกก็กลายเป็นลูกบุร้ายฆ่าคนทุกครั้งที่ถูกใครถามถึงพ่อก็จะรู้สึกเหมือนถูกกรีดด้วยมีดลงที่ก้อนเนื้อหัวใจทุกครั้งที่ต้องกรอกชื่อพ่อลงในแบบฟอร์มจะเป็นใบสมัครเรียน ใบสมัครงานใบทะเบียนสมรสก็ให้รู้สึกเสียววูบถึงหัวใจเพราะคิดถึงพ่อทุกครั้งที่ได้รับเชิญไปเผาศพพ่อใครๆก็อดที่จะนึกถึงพ่อตัวเองไม่ได้ ฮ, ฮึยิ่งพูดมากยิ่งเศร้ามากยิ่งว่าแต่ลูกเลยเมียก็แย่ผัวติดคุกตัวจะไปทำกระตุกกระติกกับใครก็ไม่ได้ชาวบ้านเขานินทา มีผัวใหม่หรือไปร่วมอภิรมกับใครก็ผิดศีลธรรมเพราะผัวไม่ได้หยากันถ้าผัวอยู่ในคุกก็ไปชวนหย่าก็ยิ่งหมดท่าจะมองหน้าชาวบ้านเขาได้อย่างไรใครรู้เข้าก็จะนินทาไปสุดสองคุ้งน้ำสามคุ้งน้ำถ้าแม้ได้รับประทานของอร่อยที่ผัวเคยชอบก็อดคิดถึงผัวไม่ได้ เิดถึงแล้วจะหยิบยื่นให้ก็ไม่ถึงจะทำบุญกรวดน้ําอุทิศผลบุญไปให้หรือก็ผิดธรรมเนียมมีอย่างที่ไหนทำบุญอุทิศให้คนเป็นเป็นนี่แหละท่านเอย๋ยเรื่องของความแค้นต้นมันถูกแต่ดอกมันแพงยิ่งไปแก้ไม่ถูกวิธีกระตุกเงื่อนผิดทีเดียวมันเลยรัดตัวจนกระดิกกระเดี่ไม่ได้ที่จริง วิธีแก้แค้นที่ถูกนั้นต้องใช้แบบของพระพุทธเจ้าคือไม่ผูกพยาบาทไม่คิดแก้แค้นเขาของมันแล้วไปแล้วก็แล้วกันบางท่านอาจเป็นห่วงว่าถ้าเช่นนั้นตัวเราจะไม่เป็นคนอ่อนแอไปหรือและบางท่านเป็นห่วงว่าถ้าขาดการผูกพยาบาทเสร็จแล้วความกตันยูต่อผู้มีคุณก็จะลดความเข้มข้นลง ช่มีใครเขาค่าพ่อเราถ้าเป็นลูกที่ดีก็ต้องแก้แค้นแทนพ่ออย่างนี้เป็นตน้นที่จริงความกะตัยูกับผูกพยาบาทมันคนละเรื่องกันเอาไปแทนกันหรือผสมกันไม่ได้การแสดงความกะตัยูต่อผู้มีพระคุณโดยไม่ผูกใจแค้นก็ยังมีหลายวิธีคือเราพยายามสร้างสารรค์ความดีแทนพ่อเรา และเลิกคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นอรินั้นเสียก็ย่อมทำได้จะอย่างไรก็ตามการจดจำการกระทำของส ต, ตรอไว้เพื่อเตือนใจของเราไม่ให้ประมาทก็ไม่ใช่การผูกใจแค้นแต่อย่างใดอย่างเช่นไทยเราปล่อยอยุธยาให้เป็นเมืองร้างเอาไว้ก็มิใช่จะผูกพยาบาทพมา่า อาแต่เอาไว้เตือนใจอนุชนของเราไม่ให้ประมาทต่างหากรวมความโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าความคิดที่อยากจะแก้แค้นนั้นดีแล้วแต่ข้อสำคัญเราต้องแก้ให้ถูกวิธีและวิธีที่ถูกนั้นก็คือไม่คิดผูกพยาบาทผู้ทาล่วงเกินเราอภัยเขาเสีย